พระอาจารย์จวนกุลเชษโทวัดเจติยาคีรีวิหารภูทอกอําเภอศรีวิไลจังหวัดหนองคายพุทธศักราช2463ถึง2523 สังขารก็คือร่างกายของเรานี้เองได้แก่รูปนามคือขันห้าล้วนเข้าไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายใจก็ขยะ ขยับเข้าไปสู่ความโลภความโกรธความหลงสู่กิเลสตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยู่ร่ำไปขยับขยับเข้าไปสู่รูปสู่เสียงสู่กลิ่นสู่รสสู่โพธพภะ สู่ธรรมมารมณ์ต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่เสื่อมไปสิ้นไปไม่มีอะไรที่จะเหลืออยู่เพราะพุทธเจ้าทรงเตือนให้พุทธบริสัท์ทั้งหลาย พิจารณาสังขารทั้งหลายเหล่านี้ให้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ให้เห็นว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์และสิ่งนั้นก็เป็นอนัตตา จึงมีความแปรปรวนอยู่เสมอเสมอคือมันเสื่อมมันสิ้นไปอยู่เสมอเสมอไม่เป็นไปตามความปรารถนาของใครใครให้มีสติปัญญาน้อมเข้ามาพิจารณาสังขารธรรมทั้งหลาย เหล่านี้ว่าสังขารทั้งหลายเหล่านี้คือรูปนามได้แก่ขันห้าได้แก่ร่างกายของเรานี้ให้เห็นว่ามีความแปรปรวนอยู่เป็นธรรมดา มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะจีรังยั่งยืนคงทนไปได้สังขารรัตธรรมนี้มีเกิดแล้วก็ดับทำลายหิหายไปจะเป็นที่ชอบเพื่อจเจริญใจแก่ปราด ผู้พิจารณาเห็นโทษด้วยปัญญาจักสุแล้วก็หาไม่สังขารธรรมนี้แต่ล้วนแล้วเป็นของปฏิกูลพึงเกลียดมีกลิ่นอันเหม็น อันเน่าอยู่ตลอดกาลและเวลาพิจารณาให้รู้ให้เห็นว่าสังขารธรรมนี้เป็นวัตถุอันชั่วช้ายิ่งกว่าของทั้งปวงมันไหวอยู่ด้วยโลกธรรม ด้วยอำนาจของความเกิดแก่เจ็บตายพิจรารณาด้วยความมีสติปัญญาให้รู้ให้เห็นว่าสังขารธรรมนี้ปลายสจากที่พึ่ง เป็นที่พึ่งไม่ได้จะคุ้มครองป้องกันชาติชาราพยาธิมรณะนั้นไม่ได้เลยเป็นอันขาดพิจารณาให้เห็นว่าสังขารธรรมนี้มีกรรมทั้งสอง ได้แก่กุศลกรรมได้แก่บุญอกุศลกรรมได้แก่บาปเป็นปัจจัยประชุมแต่งแล้วมันก็ดับทำลายฉิบหายไปเป็นเหยื่อของมานเป็นอาหารของพญามัจจุราช คือความตายมันขบมันเคี้ยวมันกลืนกินเข้าไปทุกเดือนทุกปีไม่หยุดยัง้งให้พิจารณาวา่าสังขารธรรมที่จริงก็มีตัญหาคือความอยากนี้ เป็นนายช่างเป็นผู้ปรุงแต่งเป็นนายช่างใหญ่เป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้รูปนามคือขันห้านี้ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตาย เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดท่านจึงตรัสว่ารูปนามขันหานี้เป็นตัววิบาก ค, คือตัวสมทุทัยตันหาคือความอยากนี้นี่เอง เป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้ทุกข์เกิดขึ้นวิบากวัตคือตัวผลได้แก่ทุกข์คือความเกิดแก่เจ็บตายในตัวกำเนิดในคติในภพต่างๆ จะมีขึ้นในตัวกรร ม, มวัดคือกิเลสได้แก่ตัวสมุทัยคือตัวตัณหาตัวสมุทัยคือความอยากนี้เองเป็นตัวกรร ม, มวัดกิเลสวัดเป็นตัวเหตุ ตัวปัจจัยให้รูปนามคือขันห้าท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไม่มีที่สิ้นสุดให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปท่านพิจารณาให้รู้ในช่างเรือน คือตัณหาเมื่อรู้แล้วก็ดับได้ก็เป็นผู้รู้อริยสัจสีรู้ข้อปฏิบัติธรรมอันเป็นที่ดับทุกข์ซึ่งก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญา ได้แก่ตัวสติปัญญานี้เองรู้ชอบเห็นชอบรู้ยิ่งเห็นจริงตามความเป็นจริงในสังขารธรรมทั้งหลายนี้เมื่อเราพิจารณาให้รู้เห็นว่าสังขารธรรมทั้งหลาย เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือเป็นของไม่เที่ยงมิใช่ตนมิใช่ของตนมิใช่ของแห่งตนอย่างนี้ ก็จะเป็นผู้เบื่อหน่ายซึ่งความรักความกำหนัดความยินดีแล้วนั่นแล